การตั้งใจฟังให้สำเร็จประโยชน์การได้ยินได้ฟังเสมอในสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นเป็นการเพิ่มภูมประโยชน์ขึ้นมากมายคนเราจะมีความเฉลียวฉลาดก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังได้ฟังมากด้วยความสนใจใครจะรู้สิ่งนั้นๆที่เป็นประโยชน์ก็อย่อมได้รับประโยชน์โดยลําดับมีความรู้ความฉลาดไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นการศึกษาระเวียนการประพฤติปฏิบตัติการได้ยินได้ฟังจึงเป็นเครื่องประดับสติปัญญาหรือคุณงามความดีฉันหลับพุ่มมุ่งต่อความดีไม่มีที่สิ้นสุดในศาสนาของพระพุทธเจ้าก็มีเฉพาะพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่เป็นสัพพันธยู ทรงรู้เองเห็นเองทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่ต้องศึกษาจากผู้ใดเลยในบรรดาทำทั้งหลายที่นำมาประกาศสอนโลกนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วแม้สาวกจะเป็นองค์ในก็าตามจะเรียกว่าสัพพัญญูรู้โดยลาพังตนเองไม่ได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังการจึงเหนียบศึกษาทั้งทา ง, ทงหูทางตา ทุกด้านทุกทางเพื่อประกอบเพื่อประดับความรู้ความฉลาดได้ได้มาพื้นปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวทางนั้นแล้วผลที่อันเป็นที่พอใจจะพึงเกิดขึ้นเดือนดับยังกระทั่งถึงอรหัตตผลที่สาธุชนทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาะระลึกถึงท่านมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ว่าพุทธังทำมังสังขังสซ น, นังคาฉามิเ น, นาะบริจนนการ สำเนียอศึกษาการได้ยินได้ฟังด้วยความสนใจจึงเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เราไม่มีที่ติสาวกแต่และองค์ละองค์ได้สดับจากพระพุทธทเจ้าเป็นจำนวนมากและสะดับจากครูบาอาจารย์ต่อปไปเป็นลาดับลานาก็มเพราะฉะนั้นการศึกษาเราเรียนการได้ยินได้ฟัง จึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับเราผู้ต้องการความรู้ความฉลาดธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่แน่นอนตายตัวที่จะให้ความถูกต้องแม่นยำหรือดีงามแก่บรรดาผู้ที่มีความสนใจต่อาศาสนธรรมท่านโดยลาดับมีท่านทั้งหลายเป็ น, ปนพุทธมามะกะคือถือพระพุทธเจ้าเป็นของของตนเป็นสมบัติอันล้นค่า เป็นที่เทิดทูนของเราเหนือชีวิตจิตใจเราจึงได้เปลี่ยนวาจาว่าพุธทธธรรมสังฆาหมิข้าพระเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึงเถิดึกฝากเป็นฝากตายไว้ตั้งแต่บัดนี้จนตลอดชีวิตธรรมังสังขังสังฆาหมิก็เช่นเดียวกันหลักใจของเราชาพุทธก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ทุกสิ่งทุกอย่างเราได้มอบความไว้วางใจไว้กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้ทั้งหมดเพราะเหตุไรก็เพราะทั้งสมรัตนานี้เป็นรัตนที่แน่นอนเป็นหน้าที่ไว้ใจแต่พูดถึงเรื่องความถูกต้องดีงามก็ร้อยเปอร์ซทุกสิ่งทุกอย่างร้อยเปอร์เซ์ทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะให้เกิดความเพลียแข็งสงสัยภายในจิตใจเราจึงเน้นเป็นวาจาถึงขนาดนั้น มีท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์มาจากสถานที่ไกลอยู่มากจากกรุงเทพมาถึงอุดรก็ร่วมหกร้อยกิโลระยะทางไม่ใช่ไกลไม่ใช่ของง่ายต้องสลละเว ล, เวลาตั้งอกตั้งใจจริงๆฝ่าฟืนอุปสรรคใดๆแม้ที่สุดชีวิตก็ยอมสละในการมานี้เพื่อหวังบุญหวังกุศลอันจะเป็นที่มงคลแก่ตนทั้งปัจจุบันและอนาคต เรียกว่าเราได้ดำเนินตามแนวทางแห่งนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นที่ทรงดำเนินมาแล้วเป็นตัวอย่างหรือเป็นคติอันดีแก่พวกเราทั้งหลายการที่พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้เป็นอนุตระเป็นศาสดาเอกสอนโลกก็อาศัยการสร้างคุณงามความดีทั้งหลายยังไม่มีใครที่จะเสมอพระพุทธเจ้าได้ในการให้ทานก็เอาจนล่ำเลอ ล่ำลือถึงขนาดถูกเขาขับหนีจากบ้านจากเมืองเช่นคราวเป็นพระเวษสันดนให้ทานเสียจนกระทั่งชาวเมืองเขาไม่พอใจขับไล่สายส่งพระองค์ออกไปอยู่เขาคีวงกฏโน้นพระองค์ก็ยอมไปไม่ขัดชาวบ้านชาวเมืองคือไม่ขัดใจเขาแต่ทุกยากลำบากอย่างไรพระองค์ก็พอพระไทยที่จะไป ไปแล้วแทนที่พระองค์จะปฏิบัติตามเขาที่ขัดใจไม่อยากให้ทำทานนะไม่มีอะไรมีกัญหาชาลีเท่านั้นก็สละทานไปได้เนะี่ยแล้วยกพระกัญหาชาลีทานไปอีกแล้วยกพระชาดาพระชาญาคือพระนางมัสีให้ทานแจบพร่างอีกนั่นะ การให้ทานเดี๋ย ว, วพระพุทธเจ้าไม่ยอมใครทำตามพระนิสัยของพระองค์ซึ่งเคยบำเพ็ญอย่างนั้นมาเป็นเวลานา น, านแล้วจึงว่าการให้ทานก็ไม่มีใครที่จะสู้พระพุทธเจ้าได้จึงเรียกได้ว่าเป็นนักเสียสละจอมแห่งนักเสียสละก็คือพระก็คือพระพุทธเจ้ า, าศาสนาธรรมที่ประกาศสอนโลกจนพวกเราทั้งหลายได้รับมากระทั่งทุกวันนี้ ก็เพราะออกจากพระเมตตาแล้วและความเสียสละของพระองค์ท่านนั่นเองเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง<ม>เพื่อความเป็นราษดาของโลกสั่งสอนโลกให้โลกได้มีหูมีตามีความสว่างกระจ่างแจ้งรู้ทั้งเหตุทั้งผลทั้งบาปทั้งบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ต่างๆจนสมพระไทยได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงบำเพ็ญตามหน้าที่ของพระองค์ ที่เป็นศาสตราของโลกจนกระทั่งปรนิพานแม้ปรนิพานแล้วยังประทานพระโอวาทไว้ด้วยความเมตตาอีกตลอดม า, าศาสนาของพระพุทธเจ้าจริงออกมาจากความเสียสละออกมาจากพระเมตตาแล้วก็เกิดเป็นความเสียสละออกมาไม่ได้เกิดมาเพราะความเห็นแก่ตัวพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคนคับแคบตีตังเป็นคนที่ กว้างขวางมากในน้ำพระไทยไม่มีอันใดที่จะเสมอการรักษาศีลก็ไม่มีใครจะเสมอพระพุทธเจ้าการเจริญเมตตาภาวนาก็ไม่มีใครเสมอฉะนั้นจึงควรเป็นศาสด า, าของโลกได้อย่างเต็มใจสำหรับผู้ที่จะนับถือพระองค์ท่านในาศาสนาธรรมที่ประกาศสอนมาโดยลำหนับที่เรานับได้พอประมาณว่า 80,000 สี่พันพระธรรมขันธ์นั้นก็ร้วนแล้วตั้งแต่ เป็นพระธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องแล้วที่เรียกว่าสวขาตธรรมคือตรัสไว้ชอบทุกจริงทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมไม่มีขาดตกบกพร่องในแง่ใดๆเลยตั้งแต่ธรรมขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดคือวิมุตพระนิพานเป็นพระพุทธเจ้าองค์เดียวนี้เท่านั้นเป็นผู้สั่งสอนโดยทั่วความถูกต้องแม่นยำตั้งแต่ธรรมะขั้นต่ำจนกระทั่งถึงธรรมะอันสูงสุดไม่มีผิดพลาดไปไหนเลย เนีเราทั้งหลายได้ดำเนินตามพระองค์ท่านก็ น, นับว่าวาสนาของพวกเราตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าคิดโฉบุษฐานามุ ป, ปาโถการที่จะได้อุบัติการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้เป็นของยากของลำบากเนี่ยการที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นได้แต่ละพระองค์นั้นถ้าไม่เต็มตามพระบารมีแห่งความเป็นพุทธะแล้วก็เป็นขึ้นมาไม่ได้ ต้องอาศัยความภาคเพียรเต็มที่เต็มฐานไม่มีใครสามารถที่จะภาคเพียรอดทนได้อย่างผู้บำเพ็ญพระโพธิญาณเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าของเราท่านก็สามารถทำได้ถึงขนาดนั้นนี่เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังจากพระอาวาดของท่านโดยไม่ต้องลงทุนลงรอนอะไรมากมายกายความกันนัว่าเป็นวาสนาของพวกเราในประการที่สองท่านแสดงไว้ว่าดิฉังมัจจา สัตว์จิตฉังสัตวรรมสวรรคนัง่งการที่จะได้ฟังธรรมแท้จริงคือถูกต้องแม่นยํานั้นก็เป็นของยากส่วนมากท่านแต่ว่าการฟังธรรมนั้นเป็นของยากนี่ถูกต้องทั้งสองแง่คือการฟังธรรมนั้นเป็นของยากไม่ได้หมายถึงว่าธรรมไม่มีให้ฟังธรรมที่มีให้ฟังนั้นก็ ก็มีประเภทหนึ่งคือเช่นศูนย์ยากั์ไม่มีศาสนาปรากฏในโลกเลยอย่างนี้เราจะหาได้ยินได้ฟังที่ไหนศึกษาเราเรียนอัดธรรมจากที่ไหนไม่มีเลยแต่มนุษย์เราปัจจุบันนี้เฉพาะอย่างยิ่งคือมังไทยของเราที่เต็มไปด้วยศาสนาธรรมอยู่แล้วปัญหาข้อที่ว่าการฟังธรรมเป็นของอยากนั้นจึงไม่ขึ้นอยู่กับว่าธรรมไม่มีแต่ขึ้นอยู่กับความยาก ของตัวเองต่างหากคือมันเป็นผากเป็นน้ำเป็นอุปสรรคกีดขวางทางเดินของตนผู้ที่จะไปได้ยินได้ฟังไปศึกษาเรื่อเรียนไปประพฤติปฏิบัติไปสำ้ำเนียศึกษาหรือไปฟังธรรมทางเทศของท่านต่างหากพราจะไปฟังเทศฟังธรรมอย่าง น, นี้เกิดอุปสรรคขึ้นมาทั้งๆ ท, ที่ปกติไม่มีอุปสรรคไม่มีสิ่งเกียดขวางกีดขวางไม่มีโจรมีหมาแต่พอที่จะคิดขึ้นทางดิบทางดีอย่างนี้ เราจะยินได้ฟังท่านเทศนาว่าการอย่างนั้นอย่างนี้เกิดความอ่อนแอลงไปเกิดความเพ้อถอยในจิตใจลงไปหาเรื่องหาราวมากีดขวางตัวเองว่ามีงานนั้นมีงานนี้ยุ่งนั้นยุ่งนี้ไม่มีเรื่องยุ่งก็หาเรื่องมายุ่งเพราะนี่คือมารมารต้องหาเรื่องเสมอมีไม่มีก็ตามหาเรื่องมาจนได้นการฟังธรรมว่าเป็นของยากมันยากอยู่กับเราในสมัยปัจจุบันซึ่งมีพระพุทธศาสนานี้คือ ความยากการฟังธรรมนี้จึงอยู่กับเรานี่ท่านทั้งหลายก็ได้ผ่านรูปสักเหล่านี้มาได้การฟังธรรมไม่ใช่จะมีความพอใจด้วยกันทุกรูปทุกนามบรรดามนุษย์เหมือนกันมันต่างกันอยู่ที่อุปนิสัยใจคอที่เคยได้อบรมมาหรือไม่มีความหยาบความละเอียดต่างกันแม้จะมีศาสนาเป็นของประเสริฐเลิ่อโลกอยู่เห็นอยู่เต็มหูเต็มตาแต่จิตใจไม่สนใจ ไม่ชอบไม่พอใจแล้วมันศาสนานั้นก็จะมาเป็นคู่เคียงของผู้นั้นไม่ได้จะเป็นคู่ควรของคนนั้นไม่ได้เพราะคนนั้นไม่เป็นผู้ควรกับศาสนากับศาสนาธรรมนี่แล้วตามเป็นอุปสรรคต่อกันอีกด้วยแต่เราได้ผ่านอุปสรรคเหล่านี้มาทัานทั้งหลายมาความเป็นคุณงามความดีมาด้วยความตั้งอกตั้งใจมาด้วยความเริ่มใส่ศ ร, รถถัทธาการได้ยินได้ฟังก็ หวังได้ยินได้ฟังด้วยความพออกพอใจมานแล้วเหล่านี้เรียกว่าแพ้ท่านทั้งหลายไม่สามารถที่จะมากีดขว้างทางเดินของท่านทั้งหลายที่จะมาบำเพ็ญกุณงามความดีมีการให้ทานเป็นต้นและการได้ยินได้ฟังอัตธรรมที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนอยึงดำเนินมาด้วยความสะดวกสบายและวันนี้ตามหลักประเพณีของชาวพุทธเรา พื้นกันทั่วประเทศไทยว่าเป็นมาฆบูชาคําที่ว่ามาฆบูชานี้ต้นเหตุเป็นมาจากอะไรท่านกล่าวไว้ว่าวันนี้คล้ายกับวันที่พระพุทธเจ้าของเราทรงปรองพระชนคือลั่นพระไทยพระวาจาว่าจะป ร, ริพานธพูดภาษาของเราเรียกว่าจะตาย นับตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงเดือนเหเพนคือสามเดือนจะปรินิพานเมื่อพระพุทธเจ้าซึ่งไม่เคยมีสองอยู่แล้วตามปกตินิสัยสคำพระพุทธเจ้าทั้งหลายคำนั้นจึงเป็นคำแน่นอนตายตัวจะเป็นคำสองขึ้นมาไม่ได้เมื่อได้ปรงพระไทยว่าจะปรินิพาน ในอีกสามเดือนข้างหน้าล่วงไปแล้วคือวันหเดือนหเพนพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นเช่นนั้นบรรดาชาพุทธคือพุทธบริษัททั้งหลายมีภิกษุบริษัทเป็นต้นจึงมีความสถานหวั่นไหวพอได้ทราบว่าต้นโพต้นซายใหญ่ที่จะล้มโค่นล้มลงไปในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้เกิดความรลทสังเวช กันมากมายก่ายกองสะเทือนไปหมดบรรดาชาวพุทธแล้วพอถึงวันเดือนหกเพนก็บรรจบรบรอบกับพระวาจาที่ได้ตรัสเอาไว้แล้วก็ปรินิพานในวันเดือนหกเพนนั่นเองวันนี้จึงเป็นวันตรงพระวาจาของพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศพระศาสนามาได้ส5สห้าพระพันษาทำความร่มเย็นเป็นสุขความใสสว่างกระจ่ า, จางแกล้งให้แก่ชาวพุทธทั้งหลาย ผู้ทได้รับคุณงามความดีเป็นเครื่องประดับใจไปโดยลําดับกันญาณชนจนกระทั่งถึงอริยบุคคลขั้นสูงสุดคือเป็นพระราหัตทหา ร, ร, หารมีจํานวนมากมายกายกองจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวแล้วบัดนี้พระพุทธเจ้าองค์ที่ให้ความร่มเย็นเป็นจูบแกโลกทั้งหลายก็จะปรินิพานไปเสียแล้วเหมือนกับว่าพ่อที่มีพระเมตตาอย่างยิงย่งเหนือโลกเหนือสงสารนั้นจะได้พัดพราก จากบรรดาลูกเต้าทั้งหลายไปเสร็จแล้วใครเล่าที่จะไม่มีความอะไรเสียดายต้องเสียดายอย่างเต็มที่อะไรอย่างเต็มที่กระตุกระเทือนจิตใจไม่น้อยทีเดียวเหมือนกับว่าโลกกระทัดได้วันไหวไปในขณะนั้นเช่นเช่นซึ่งตรงกับวันนี้เนี่ยท่านทั้งหลายได้เข้าใจในวันนั้นได้ประทานพระโอวาทแก่พระสงฆ์พันสองห้าสิบองค์ ซึ่งรั้นแล้วตั้งแต่เป็นพระรหัตทั้งนั้นและเป็นเอหีพิขุอุปสมพทาที่พระพุทธเจ้าทรงอุปสมบทให้เองหรือทรงบวชเองปุ่นง่ายๆด้วยเอหีพิขุอุปสมพทาได้ตรัสพระวาจาเพียงเท่านี้สําเร็จเป็นพระขึ้นมาโดยสมบูรณ์ได้มารวมกันในเวลาบ่ายของวันมาคได้แก่วันเดือนสามเพน พระองค์ท่านจึงได้ประธานพระโอวาทเรียกว่าโอวาทปาติโมกแก่พระสงฆ์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์นั้นด้วยวิสุทธิอุโบสถคือทำอุโบสถ ด, ด้วยความบริสุทธิ์ของประหานทั้งหลายไม่มีิกษุพิสุ ป, ปุตชนเจรปลงอยู่ในที่ชุมนุมนั้นแม้แต่องค์หนึ่งเลยจึงเรียกว่าวิสุทธิอุโบสถ ในวสุตนั้นแสดงทรงแสดงย่อๆว่าสัปะ ป, า ป, าปัสสะอาการนังการไม่ทำความชั่วทั้งปวงหนึ่งแปลว่าอย่างนั้นกุชรสูประสัมปทาการยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อมหนึ่งชจิตตะประโยชน์ปั น, นังการยังจิตของตนให้ผ่องแผ้วจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หนึ่ง เอตังพุทธานัสาสนังนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกๆพระองค์ท่านทรงสั่งสอนอย่างนี้นี่เป็นพระอุวาทย่อที่ประธานแจกพระสงฆ์สาวกในครั้งนั้นทำอาการไม่ทาบาปทั้งปวงนี่คือทั้งทางกายทางวาจาและทางใจบาปคือความเศร้าหมองความมืดตื่นผลยังความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ทา ท่านก็สอนไว้ว่าการทำบาปนั้นคือการสร้างฟูนสร้างไฟไว้สาหรับเผาพร า, พรานตนเองเผาโดนตนเองให้เดือดร้อนทั้งปัจจุบันอนาคตจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะเป็นฆ่าสุขต่อ ต, อตอนเองโดยถ่ายเดี่ยวการยังกุศลให้ถึงพร้อมนั้นหมายถึงความฉล า, าดทั้งจิตบ้านการเรือนอันเป็นประโยชน์ฉลาดทั้งการบําเพ็ญกุศลที่จะทำตนของตนให้หลุดพน้น จากกิเลสเครื่องัวพันหรือเครื่องกดขี่บังคับจิตใจทั้งหลายให้เป็นอิสระขึ้นโดยสมบูรณ์เพราะความฉลาดที่ได้รับการอบรมสั่งสมมาหรือการฝึกฝนอบรมด้วยความตนให้เกิดความฉลาดนี่หนึ่งการยังกิจท่องตนให้ผ่องแผ้วหรือให้ผ่องใสจนกระทั่งถึงความบริสุทธินี้คําว่าผ่องใสกับความบริสุทธิ์นั้นต่างกันท่านจึงสอนให้ทํากิจให้มีความผ่องแผ้วจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์ ตามธรรมดาของจิตจะหาความป่องใสไม่ได้ต้องถูกปกคลุมหุ้มห่ออยู่ด้วยความมืดมิดปิดดำทั้งหลายล้อมรอบอยู่ภายใน จ, ใจิตใจสิ่งเหล่านี้แดเป็นผู้มีอำนาจปิดบังไว้เช่นหลอดไฟไฟจะใสสว่างขนาดไหนถ้าหลอดไฟนั้นดำแล้วก็ต้อง ส่อแสดงออกมาเป็นเรื่องดําสว่างออกมาก็เป็นดํจาจะสว่างเต็มที่ของดวงไฟไม่ได้จิตใจแม้จะมีความสว่างกระจ่างแจ้งหรือมีความฉลาดอยู่ภายในตัวมีความสําคัญอยู่ภายในตัวมากน้อยเพียงไรแต่อาศัยสิ่งที่มืดดําทั้งหลายนั้นเข้าไปปกปิดกําบังก็กลายเป็นของไม่มีคุณค่าขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสั่งสอนให้ชําระสิ่งที่ เป็นมลทินสิ่งที่ดำทั้งหลายเหล่านั้นออกให้จิตได้มีความผ่องใสเมื่อจิตมีความผ่องใสแล้วความจุกความเจริญความเย็นอกเย็นใจทุกสิ่งทุกอย่างที่พึงปรารถนาจะพึงปรากฏขึ้นภายในจิตใจของผู้มีความผ่องใสนั้นๆเมื่อได้ชำระความผ่องใสนั้นให้กลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วควําว่ามิมุติ พระนิพพานนั้นก็ไม่ต้องไปถามที่ไหนออกจากกิจ ด, ดวงที่เป็นอิสระแก่ตนเองหรืออิสระเสรีแก่ตัวเองอย่างเต็มที่นั่นแหละที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายให้ชื่อว่านิพพานทั้งเป็นนี่เป็นพระโอวาทย่ อ, อที่ทรงสั่งสอนในวันมาฆบูชาเราทั้งหลายที่เป็นลูกเต้าเราก็ของพระพุทธเจ้า ของพระสงฆ์สาวกท่านขอให้น้ำระลึกถึงท่านในวันเช่นนี้ปฏบิบัติบูชาด้วยการถือศีลการภาวนาปฏิบัติ อ, อมิตรบูชาด้วยการให้ทานต่างๆซึ่งรวมแล้วเป็นบุญเป็นกุศลแก่เราด้วยกันทั้งนั้นอย่าให้เสียเวลาเวลาที่เราได้อุตส่าห์มาจากบ้านจากเรือน <c oughs> เจตนาของเราในเบื้องต้นที่เริ่มว่าจะ มาบำเพ็ญกุศลตามวัดต่างๆและฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์นั้นเป็นกุศลเป็นเจตนาที่เป็นกุศลอยู่แล้วตลอดถึงเรานั่งรถมาก็เจตนานั้นเราอย่างแล้วอย่างถึงใจของเราตลอดสายจนกระทั่งมาถึงที่นี่แล้วจะไปถึงที่อื่นเพื่อการบําเพ็ญกุศลนี่เรียกว่าเจตนาที่เป็นกุศลมีอยู่แล้วภ า, ายในจิตใจของเรานี่เป็นประเภทหนึ่งแห่งกุศลที่จะทํา เกิดให้ที่จะยังบุญกุศลให้เกิดขึ้นแก่เราประเภทที่สองก็คือการบริจาค ก, ก็ได้ทำแล้วตามเต็มกำลังความสามารถของเราตามใจหวังการได้ยินได้ฟังเราก็ได้ยินได้ฟังโดยลำดับลำดับนี่ก็เพิ่มคุณงามความดีขึ้นเป็นชั้นชั้นไม่เสียทีที่เราได้มาเรียกว่ามีกำไรภายในตัวของเราเราเป็นชาวพุทธชื่อว่าเป็นผู้มีวาสนา คนที่จะได้พบพระพุทธเจ้าที่จะได้ยินได้ฟังธรรมคำอสอนของพระพุทธเจ้านี้ต้องเป็นคนมีวาสนาถ้าไม่มีแล้วอย่างไรก็ไม่ได้ฟังเพราะพระพุทธเจ้าไม่ไม่ได้เหมือนกับเม็ดหินเม็ดทรายซึ่งมีอยู่ทุกแห่งทุกผนแม้จะปรินิพานมาโดยลําดับลําดาจัดทะลุถ่ายทอดกันมาลําดับลาดานับแล้วเท่าเม็ดหินเม็ดทรายก็ตามแต่พระพุทธเจ้าเหล่านั้นท่านก็ไม่ได้ มีอยู่ประจำแบบโลกโลกที่เห็นกันอยู่นี้ให้เราได้กราบไหว้ได้ฟังธรรมเทศนาของท่านตลอดการที่เราต้องการพระองค์นี้ผ่านไปพระองค์นั้นผ่านมามีเวลานี้กับพระพุทธเจ้าของเราผ่านไปด้วยพระรูปพระนามแต่ปรากฏอยู่โดยหลักธรรมชาติคือธรรมของท่านได้ประกาศสั่งสอนพวกเราทั้งหลายอยู่นี้เราก็ได้นับถือพระพุทธเจ้าด้วยการได้ยินได้ฟัง แล้ประพฤติธปฏิบัติตามจึงเป็นเหมือนกับได้เฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่โดยสม่ำเสมอที่ระลึกถึงท่านหรือเราได้ทําคุณงามคำดีตามพระาว่าดคำตังสอนของท่านสอนพวกเราคุณงามคําดีทั้งหลายเหล่านี้แหละที่จะเป็นเครื่องประคับประคองเราให้ไปสู่สถานที่ดีคติที่งามเนืกอสิ่งใดสมหวังก็เพราะอํานาจแห่งกุศล นึกไม่สมหวังนึกต้องการอย่างนั้นแต่กลับได้อย่างนี้นั่นคือเรื่องของบาปตามธรรมดาของบาปต้องตัดรอนเราเสมอเราต้องการอยากได้มันกลับให้เสียไปสิ่งใดไม่ต้องการริงนั้นเจอสิ่งใดต้องการริงนั้นพลาดไปนี่คือเรื่องอกุศลธรรมพาเป็นเหตุให้สร้างบาปสร้างกรรมขึ้นมาผลจึงมีแต่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาที่จะเราจะจะเป็นเครื่องสนองเรา แต่บุญกุศลไม่เป็นเช่นนั้นเราสร้างไว้แล้วด้วยความพอใจในทางที่ถูกผลที่ปรากฏขึ้นขึ้นมาจึงมีแต่ความถูกความสำราญบานใจเกิดในภพใดชาติใดก็ตามสมบัติทั้งหลายใดๆนั้นไม่เหมือนสมบัติคือบุญอันนี้ติดแนบกับใจของเราไปอยู่โดยสม่ำเสมอจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางคือถึงพระนิพพาน เสียเมื่อใดบุญกุศลจึงจะหมดปัญหากับเราเช่นเดียวกับเราก้าวขึ้นจากบันไดขึ้นมาบันไดเป็นความจําเป็นสําหรับเราที่ก้าวขึ้นมาสู่ศาลาหลังนี้หรือหลังใดก็ตามบ้านใดก็ตามเมื่อถึงที่หมายแล้วศาลาก็หมดก็บันไดก็หมดความหมายไปทางก็หมดความหมายไปเมื่อเราถึงจุดที่หมายแล้วบุญกุศลก็เป็นเครื่องสนับสนุนหรือส่ง คนให้ถึงจุดหมายปลายทางเช่นนั้นเหมือนกันเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วบุญกุศลนั้นก็หมดปัญหาไปเองเพราะถึงจุดหมายแล้วไม่จําเป็นอะไรจะต้องไปเกี่ยวข้องเช่นเดียวกับเราขึ้นถึงสลาแล้วจําเป็นอะไรจะต้องไปกอดบันไดหรือจะไปก่อโพยอโศนุนทางมาให้หนักเปล่ า, า, าเสียวเวลาเวลาคนทั้งหลายเขาจะว่าบ้าอีกนี่นี่เมื่อถึงที่จุดที่หมายแล้วก็เป็นเช่นนั้นใจเป็นสิ่งสําคัญอยู่มาก สำหรับเราทุกคนที่มีใจการที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการตายแล้วเกิดเกิดในสถานที่ต่างๆกันมีรูปร่างมีลักษณะมีปณิสัยใจคอมีวาชนะมากน้อยต่างกันนั้นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ทรงเห็นทุกแง่ทุกมุมแล้วนัางมาสั่งสอนโลกไม่ได้สั่งสอนด้วยความตุ่มเดาเหมือนคนมีกิเลส ตาฝ้าตาฟางทั้งหลายแต่สอนด้วยความเจียมแจ้งด้วยพระยานของพระองค์แล้วจึงได้มาประกาศสอนโลกความจริงนี้จึงลบไม่สูญเช่นว่าตายแล้วสูญนี้เป็นความสําคัญของโลกที่มีกิเลสทั้งทั้งที่ตนเป็นพุทเกิดพูทตายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไปเดาเองไปลบให้ความเกิดความตายนั้นสูญไปเสีย น, นี้มันสูญไม่ได้เพราะความสูญนั้นไม่สูญไม่ขึ้นอยู่กับ ความสำคัญความว่าเอาเฉยๆมันมันเกิดขึ้นจากเหตุใจเมื่อมีเชื้อที่จะให้เกิดอยู่ภายในตัวเองแล้วต้องเกิดวันยั่งคำเป็นแต่เพียงว่าจะเกิดเป็นคนหรือเป็นสัตว์เป็นลักษณะใดพบใดชาติใดกําเนิดใดประณีตบรรจงหรือเลวซามขนาดไหนอันขึ้นอยู่กับวิบากแห่งกรรมเท่านั้น นี่เป็นคติที่ตายตัวของสัตว์โลกที่จะพึงเป็นไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้าจึงจำเป็นต้องสร้างคุณงามความดีไว้เป็นเครื่องสนับสนุนตนเพราะคำว่าตายแล้วเกิดนี้เป็นความจริงลบไม่สูญใครจะมีอำนาจวาสนานขนาดไหนก็ตามจะมาลบเรื่องตายแล้วให้เกิดนี้เป็นไปไม่ได้นอกจากตัวเองจะเป็นผู้ลบตัวเองด้วยอานาจแห่ง คุณงามความดีทั้งหลายดังพระพุทธเจ้าทรงลบความเกิดต่อไปนั้นให้สิ้นสูญให้สิ้นสุดลงไปได้ดตามธรรมท่านว่าดุขัางนัตถิอาชาตัสัะทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดพระพุทธเจ้าแต่ก่อนท่านก็เป็นนักเกิดนักตายนักจับจองป่าช้าเช่นเดียวกับโลกทั่ ว, วไป แต่แล้วก็เพราะอานาจแห่งพระบารมีที่มีความแก่กล้าสามารถตัดขาดได้ซึ่งความเกิดเป็นเรื่องก่อทุกข์ทั้งหลายโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นชื่อว่าพระองค์ท่านลบความความเปิดนั้นออกด้วยอำนาจพระบารมีแต่ไม่ได้หมายถึงว่าตายไปพระองค์ท่านตายไปแล้วสูงพระองค์ปรณนิพาน ไม่ได้ศูนย์แบบที่โลกที่ศูนย์กันโลกที่ว่าศูนย์กันนั้นคือศูนย์อย่างทิพหายปนปี้ไม่มีชิ้นดีเลยหมดหวังทุกสิ่งทุกอย่างถ้าลงได้ศูนย์ไปแล้วแต่คําว่านิพพานตามธรรมท่านกล่าวไว้ว่านิพพานังปรามังศูนย์อย่างนิพพานเป็นศูนย์อย่างยิ่งนั้นคือศูนย์แบบพระนิพพานไม่ได้ศูนย์แบบโลกที่ศูนย์กัน ธรรมะศูนย์แบบพระนิพพานนั้นคืออย่างไรอันนี้เราจะยกตัวอย่างให้ฟังข้อลำบากเพราะไม่มีอะไรที่เป็นข้อเทียบเคียงได้ให้ถึงเหตุถึงผลถึงความจริงของความฝูงแห่งพระนิพพานเราพูดเอาเพียงแค่นี้พอจะเข้าใจได้ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านนะนิบานังปรมังวันติพุทธา บรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวชมเชยว่าพระนิพพานนี้เป็นธรรมอย่างยิ่งยอดเยี่ยมกว่าบรรดาธรรมแล้วบรรดาสิ่งทั้งหลายในสามโลกธาตุนี่ไม่ได้มีตําหนิแม่นิดหนึ่งเลยว่าพระนิพพานที่ว่าศูนย์ศนย์นั้นน่ะศูนย์แบบพระนิพพานนั้นมีความขาดตกบกพร่องเหมือนโลกทั่ทวไปและหากว่าพระนิพพานเป็นสิ่งที่ศูนย์ดังโลก ทั้งหลายเข้าใจกันและชีพหายผลปีดังโลกทั้งหลายเข้าใจกันแล้วพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไม่ใช่เป็นคนโง่เป็นคนฉลาดแหลมคมที่สุดสามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้แล้วทําไมจึงมากล่าวว่านิพพานนิบบานังปรามังสุขขังนีพนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นความสูญสิ้นแห่งคำว่าพระนิพพานสูสญโดยประการทั้งปวงในสิ่งที่เป็นข้าศึกในสิ่งที่เป็นสมมุติ ไม่มีอะไรที่จะเข้าไปเกี่ยวเกาะกับวิมุตต์ธรรมชาติวิมุตต์คือความบุบพ้นด้วยจิตที่บริสุทธินั้นได้เลยความบริสุทธิ์ของจิตนั่นแหละคือวิมุตต์พระนิพพานเหมือนเหมือนเวลาท่านตรัสรู้แล้วทางสอนโลกทั้งหลายอยู่นั่นไดพ้พระองค์ท่านถึงพระนิพพานแล้วในตั้งแต่ขณะตรัสรู้ที่แรกหากว่านิพพานศูนย์ ใครเป็นผู้สั่งสอนโลกให้ถึงความจริงได้ใครเป็นผู้ประกาศทำสอนโลกแล้วใครเป็นผู้ประกาศว่านิพานนางป ร, ปรมังสูญอย่างล่ะเมื่อพระนิพานสูญแล้วใครจะมาประกาศได้แล้วเพราะมันสูญไปตามๆกันตั้งแต่ขณะที่ตรัสรู้นี่ก็พระพุทธเจ้านั่นเองผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นน่ะสั่งสอนโลกว่ า, ท, าทั้งนิพานังปรมังสูญอย่างทั้งนิพานนางปรมังสุขขัง คือสอนทั้งสองแง่บะนิพพานศูนย์อย่างยิ่งหนึ่งนิพพานมีเป็นความสุขอย่างยิ่งหนึ่งนี่กับพระพุทธเจ้าพระองค์ที่บริสุทธิ์นั่นแหละเป็นผู้ประกาศสอนไว้ในธรรมทั้งสองประเภทนี้หากว่านี้ผู้ปริพาน์ชิบหายผายปนปีแล้วใครจะอยากไปกันพระพุทธเจ้าทั้งหลายยิ่งเป็นจอมจอมปราดทั้งนั้นท่านจะประสงค์อะไรไปพระนิพพานซึ่งเป็นสถานที่ชิบหายล่มจมเช่นนั้น ภ า, าษาวกอรหัตรหันจะไปโง่เง่าตาตุ่นวิ่งตามพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอาโง่ได้อย่างทํำไมกันใครก็ไม่อยากไปยิ่งหลวงตาบวัวดีแล้วไม่ยอมไปแน่ๆที่เดียวทานนิพพานศูนย์แบบชิบหายผนปีแล้วฮะแต่นี่ยอมใชละชีพแล้วต่อเพื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อ้าวพระพุทธเจ้าพาไปไหนไปทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้จริงเห็นจริง ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้สั่งสอนโลกด้วยความคาดคะเน ด, ด้วยความเดาความสําคัญต่างๆแต่สอนด้วยความจริงไม่ได้สอนด้วยความจดจํามาเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายความจํากับความจริงนั้นต่างกันเห่นเราจําได้ว่าอันนั้นชื่อนั้นอันนั้นชื่อนั้นเขาเล่าให้ฟังบ้านนั้นเมืองนั้นเป็นอย่างนั้นนนัเป็นความจําขึ้นมาแล้วก็วาดภาพขึ้นมาเช่นอเมริกาเป็นเมืองอย่างนั้นอย่างนั้น เราก็วาดภาพขึ้นมาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นขึ้นทันทีแต่พอไปถึงประเทศอเมริกาจริงๆแล้วภาพที่วาดไว้นั้นหายไปหมดเพราะเป็นของปลอมเป็นความจำเอามาเหลือตั้งแต่ความจริงที่เราไปเห็นประจักษ์กับตัวข้างเราเองเด่นอยู่ภายในจิตใจหายสงสัยโดยประการทั้งปวง น, นี่นการที่จะถึงทำขั้นใดก็ตาม ถ้าถึงด้วยความจริงเห็นด้วยใจแล้วจะไม่มีทางสงสัยนี่พระพุทธเจ้าเห็นพระนิพพานประจักษ์ทั้งความศูนย์แห่งพระนิพพานทั้งความสุขอันเหลือล้นของพระนิพพานด้วยพระไพระองเองเอแล้วจะสงสัยอย่างไรแล้วจะผิดไปที่ไหนเมื่อนำมาสอนโลกฉะนั้นธรรมจึงเป็นของจริงตลอดมาเรียว่าโลกไม่ศูนย์เหมือนกันการเกิดการตาย ถ้ายังมีเชื่ออยู่ก็ลบไม่ศูญใครจะปฏิเสธักเท่าไหร่ก็ตามคําว่าบาปบุญนรกสวรรค์นี่ก็คือพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นทุกแง่ทุกมุมแล้วจึงได้มำมาสอนโลกด้วยความรู้ความเห็นอันจริงจังของพระองค์พวกเราไม่เห็นไม่รู้จะปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นว่าไม่มีไม่เป็นได้อย่างไรผู้หนึ่งเห็นผู้หนึ่งไม่เห็นผู้หนึ่งรู้ผู้หนึ่งไม่รู้เราจะเชื่อคนไหน ตามหลักความจริงแล้วก็เชื่อคนที่เห็นเ<ๆ>ชื่อคนที่รู้เช่นคนตาบอดก็ต้องเชื่อคนตาดีเดินตามคนตาดีคนโง่ก็ต้องเชื่อคนฉลาดเดินตามคนฉลาดพระพุทธเจ้าเป็นจอมปราดเป็นผู้เฉลียวฉลาดเราทําไมยิ่งจะกลายเป็นจอมปราดยิ่งกวก่าพระพุทธเจ้าตําหนิปติเตียนเรื่อลบล้างาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าออกหมดนแล้วเอาความเก่งกาจาสามารถของเราเข้าไปแทนที่ แล้วกกลายมาเป็นไฟเผาตัวเองอย่างนี้จะเรียกว่าคนฉลาดได้อย่างไรวันนี้ได้อธิบายธรรมะยกขึ้นเป็นสามบทในวันมาคบูชาให้ท่านทั้งหลายฟังว่าสบปปาวัฏสะอาการณังหนึ่งภูรัสสู้ปร้รรมปาน สกิทธประโยชน์ปัปนนังท่านทั้งหลายได้ น, นำไปพิพจรารณาและปฏิบัติตนเองให้มีขอบเขตเหตุผลประคับประคองตนเองไปด้วยความราบรื่นดีมากสร้างคุณงามความดีไว้สำหรับตนจะเป็นผู้ไม่จนกรอกจนมุมทั้งปัจจุบันในอนาคต จะมีความสว่างสวัยจเจริญรุ่งเรืองไปในอนาคตการข้างหน้าไม่เสียท่าเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยอำนาจแห่งทุนเดิมของเราที่สร้างเอาไว้แล้วเราก็สร้างต่อไปอีกเที่ยกว่าเป็นการเพิ่มบา ร, ร, รมีของตนก็จะมีความจเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเดิมดับในอวสานแห่งการสแสดงธรรมนี้ขอบุญญาณุภาคแห่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งระธรรมและระสงค์ ลงมาคุ้มครองทั้งทั้งหลายให้มีความสุข ก, กายสบายใจปราศจากโกรคาวพยาธิตล์อุปสรรคอันตรายใดๆทั้งสิ้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทารมธรรมโดยทั่วกันอารละ